เห็น video for men โดยสวัสดีครับแสงอรุณพี่น้องจ๋าและสินปิ่นตัวตัวตัวพ่อมันไม่ๆซื่อ 27 มีนาคมปี 2554 เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายแล้วของเดือนมีนาวันอาทิตย์สุดท้ายแล้วของเดือนมีนาคมก็เซิร์ทควอเตอร์กําลังจะหมดไปแล้วเออแล้ว ไม่มีใครรู้สึกบ้างมีใครรู้สึกบ้างไม่มีเลยขับรถอยู่ส่งส่งส่งคําถามไอ้ส่งส่งมาในเฟซชั่นหน่อยครับรถอยู่ขอ มันไม่ใช่บัญชีมาทางเจเอาอ่ะนะครับเออเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะ เห็นอะไรเห็นหน้าเจมมั้ยเห็นหน้าสวยๆของดิฉันเออนะมันก็มันก็จะไปจับเจนะวันนี้จับเจจับเจให้ฟังฟังเหมือนจะแบบจับฉันไปเออ นี่นะบัททําไมมันมันชุกละหกมันก็เลยแบบเต้นๆยังไงไม่รู้ก็ต้องบอกก่อนนะครับวันนี้คุณวิทยาแสงอรุณไม่อยู่ไม่อยู่ธุรยกิจงานการ ก็ฟังเราสองคนไปก่อนในทิศนี้ใช่มั้ยก็คงจะไม่เบื่อดิชั้นนะฮะใช่นาง่ายๆสั้นๆ อยากจะท้ออยากจะระบายหรืออยากจะอยอย 02 338 3589 90 นะครับเกิดอะไรขึ้นนะเอ่อเกิดอะไรขึ้นนะนิดนึงนิดๆนิดนึงมันหรือ ยังติดตึงใจยังติดตึงใจหรือยังเมื่อกี้นี้ก็ Bangkok Radio For Men นะครับเออ เอาอีกอีกตัวล่าสุดก็ต้องบอกว่าจริงๆไอ้ตัวล่าสุดของคุณรักรักเออแต่ว่าเออมีแบบไปเดท คนคนพบบางเออว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่เราเอ่อจะรักใครๆแบบเอ่อก็บอกรัก พิสูจน์ให้เค้าเห็นว่าเรารักเค้าเอาอย่างงี้ดีน่ะเราไม่เคยมีความสัมพันธ์แบบยาวนาน ว่าๆนอกจากว่าเออเราก็พูดว่าเรารักเขาหรือเวลา ก็ทําความรู้จักกันในช่วง 2-3 เดือนแล้ว ไม่ร้องไห้เพราะเค้าไม่อยากเห็นเออเราก็จะไม่ร้องไห้ 2-3 เดือนไง 2 ใช่ก็อยู่ที่นี่แล้วก็ไปภรรยา จากเอ่อกรุงเทพฯเอ่อกลับจะกลับไปประเทศเค้าประเทศเค้าเนี่ยๆอ่ะใช่ป่ะเพราะเราก็เออไม่คงไม่ได้เห็นเลย เหมือนกับโอเคเราก็ตกลงๆเนี่ยมันก็เลยเอ่อต้องต้องร้อง อ่าโอเคโอเคแล้วกันก็คิดคุณคะดิฉัน 2 คนเนี่ยนะก็จะเปิดเพียงแต่ว่าตาไม่ได้คอนแทคยูเท่านั้นเองเออนั่นแหละทีนี้เนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าเราก็ไปคิดว่าไอ้ตอนนั้นเราร้องไห้มากไงเพราะหลังๆมัน มันเหมือนละถ้ารู้สึกเสียใจเองที่เราจะไม่ได้เจอเขาเอออืมแล้วเออนั่น ครับเกี่ยวของเกี่ยวของชั้นนะเอาออกของชั้นอ่าถ้าของชั้นตอนตอนตอนนี้มันก็ยังโอเคอยู่อยู่ของเค้าเค้าก็อยู่ของชั้นอะไรอย่าง เอ่อเที่ยวน้ําแห่งนึงอะไรอย่างเงี้ยเออก็คบกันมาแล้วๆวันมันก็ไม่ไหวว่ะครับแล้วก็แบบ เค้าก็จ่ายทุกคืนจ่ายทุกคืนแล้วก็แบบว่าเอ้ยอย่างงี้มันเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยไปเที่ยวด้วยกันน่าจะแบบเฉลี่ยเฉลี่ย ซื้อใจมากคือคือเราก็ไปเที่ยวกับเพื่อนไงแล้วเอาอืมเค้าคงแบบช้าอ่ะกลับมาถึงบ้านนัด 1:00 กว่าๆนะติดกับ 2:00 นะแล้วเราก็ ก็เคยนั่งคิดว่าอะไรเหรออะไรเงี้ยแบบโอ๊ยตายแล้วซื้อพอ มันมันคิดง่ายๆเลยคือว่าถ้าเรารู้สึกมีความสุขเราจะนึกถึงเขาอืมเออและถ้าๆคือว่าถ้าเรามีความสุขเนี่ยก็ ก็บางคนน่ะบ่นเลยก็ประมาณแบบบ่นน่ะโอ๊ยที่ทํางานๆๆคือเออเรามีอะไร มันง่ายเกินไปเปล่านิดเดียวเองใช่ใช่มั้ยใช่แต่คุณสามารถจะแบบอืมมาแชกๆเราหรือว่าเราไปที่ไหนแล้ว จบไม่สวยว่ะคือทุกวันแล้วก็จะๆก็สมมุติว่ากําลังนั่งกินข้าวกัน เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ่อแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาอย่างเงี้ยพอไปรับโทรศัพท์ก่อนอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อ เออแล้วก็ไม่มีอะไรโอเคครับบอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ว่าในความรู้สึกใช่ๆๆไม่ channel V channel M อะไรก็ว่ากันไปเลยนะคุณแล้วเสร็จแล้วเค้าก็บอกว่าเนี่ยเอ่อไม่เข้าใจบอกตอนเออเออให้บอกเออรู้แล้วเออเสร็จแล้วก็บอกว่าเออ อะไรใครที่ไหนกําลังแบบเข้าได้เข้าเห็นกันอยู่ในเนี้ยนะไหนอะไรท่าที่คุณคิดคุณอยากให้ท่าไหนก็เป็นท่านั้นเลยคุณจะได้อินเนอร์จริงๆคุณเออฉันอยู่ท่าที่คุณเออ แทนเออจะเจอ Channel V Channel C อะไรก็แล้วแต่ไปเลยเนี่ยกําลังวีอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เลยเอออะไรคุณไงใครที่ไหน แต่ว่าฉันไม่มีเออร่างกายฉันกลับปุ๊บกลับอยู่ที่ คิดยังไงก็คิดอย่างนั้นเลยนะเค้าก็บอก มาได้ไงเนี่ยไอ้คนนี้คือใครอะไรยังไงเราไม่รู้จักตีก็บอกเออโอเคตีเอ้าๆเอาโอเคโอเควันนี้วันนี้วันนี้แค่นี้แหละวันนี้แค่นี้ก่อนวันนี้เดี๋ยวกลับมา ป่ะเสร็จแล้วก็กันลุกขึ้นเข้ามาก็คิดเออลุกออกไปรับข้างนอกเออลุกไปนอกเป็นไรอืมเชื่อหมอกกิน ฉันก็เลยว่าไม่กินฉันนี่ฉันกลับแล้วนะฉันไม่กินฉันก็ไม่กินจะก็กองไว้ตรงเนี้ยเออเธอไม่กินฉันก็ไม่กินใช่มั้ยปรากฏว่าใช่มาตามลงมาเออเค้าต้องมางอแล้วเงียบพี่มีสัญญาณตอบรับจากอันเดร คือเราเราก็เราก็เราก็ เถอะบอกให้ลืมฉันก็ขึ้นไปใหม่ฉันก็ขึ้นไปใหม่ฉันเห็นคือเค้านี่คุยโทรศัพท์แบบเออนะแล้วแบบ เออตายแล้วตัวเองโหมันเพิ่งมีกลับมาแล้วนะเออเออแล้วก็แบบเดินแบบเดินลงๆเดินๆแบบดราม่าเหมือนในหนังอ่ะนะอืมเออนะแล้วก็แบบลง เธอไม่เห็นฉันมีตัวตนมันก็ฉันว่าที่ฉันไปอยู่ในที่ที่ฉันมีตัวตนเออที่สมเด็จเอออ้ายฉัน 2 ตัวซ้ายขวาครับคือเลยฉะนั้นคือเธอเข้าใจพอลงมาแล้ว เธอก็มีความสุขของเธอไปก็แล้วกันฉันฉันจะไปอยู่ในที่ของก็เออเราก็มีสง่านี่ฉันก็กลับก็ก็กลับบ้านแล้วก็กลับบ้าน มันชีวิตมันสโลว์โมชั่นมันแบบชะพอมีไม่มีอะไรทําปุ๊บเนี่ยฉันก็จะเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมีอะไรทําฉันก็ทําเชื่อมั้ยฉันฉันให้เวลา <SA> <อ> 7 วันฉันก็ไป แล้วก็จะอยู่ถึงเวลาไหนแล้วก็จะนั่งย่างอยู่ข้างล่างแล้วก็มองห้องเขาก็จะเห็นเงาเขาเดินไปเดินมาขึ้นไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเราเราไม่โทรศัพท์ไม่สื่อสารใดๆเออเค้าโทรมาก็ก็ไม่รับเออก็ไม่รับมึงก็ไม่ไม่รับไม่รับเรา แล้ววันสุดท้ายนะวันสุดท้ายฉันก็ฉันก็เองว่าฉึงบอกกับตัวเองนะว่าครับแต่เราเนี่ยเรา กับพี่สุยาเอ่อเอาผ้ามาเออแล้วเค้าไม่สบายอ่ะแล้วแบบคืออ่ะไม่ ต้องมีคนชัดตัวให้นั่นคือเค้าโอ๊ยเค้าไข้ขึ้นเลยเค้าไข้ขึ้นสูงมากแล้วเราก็บอกไว้โรงพยาบาลไม่ไปหาหมอไม่ไปคลินิกมั้ยอะไรอย่างเงี้ยเค้า ซึ้งๆโอ้โหเออจากหนี้ศิลมีก้อนนึงนะกับเค้าก็จะอยากทํางานคือแบบพอพอเค้าไม่ได้ มันไม่รู้เหมือนกันแต่อาจเช็ดตัวคือคู่ใจมั้ยไม่ได้เช็ดตัวเด็กเช็ดตัวผู้ชายตัวใหญ่ใช่แล้วคุณคิดดูกว่าจะเช็ดหมดตัวนะคุณเออก็เช็ดค่อยๆเช็ดแล้วเหมือนในหนัง เขาเขาพูดนะอุ๊ยพูดว่าเค้าก็บอกว่าไม่เคยมีก่อนไง ใครที่อยากจะโทรเข้ามานะส่งคอมเมนต์เข้ามา to show more. Nine to five เออเพลงนี้เออเลือกมาจริงๆมีคนเลือกให้นะไม่ได้เราเลือกเองตรงกับอืมคือคือทุกคน ยังอยู่ในหัวใจอ่ะเออเพราะฉะนั้นทุกคนก็ยังนั่งอยู่ในห้องเลคเชอร์อาจารย์เออดีจังนะมีแล้ว 02338 3589-90 นะครับคืนนี้ประเด็นของเราคือรักที่ เพงเพงอ่ะเพงอ่ะเอาเพงอ่ะเพงอ่ะเพงอ๋อน้องอ้อนี่เองเอ๊ะเหรอเอ๊ะเป็นอ้อ ก็นั่งสัมเพ็งนั่งว่านั่งทําอะไรไปอ่ะอืมแม่ศรีเรือนนะฝึกไว้ ผัดหมึกผัดกระเทียมเหรอแล้วมันเป็นไงอร่อยมั้ยแต่อันแรกอะไรชายนะอ๋อใช่เนี่ยเป็นหมูหมูแล้วก็คือต้องไปผัดก่อนนะครับแล้วไม่ เป็นเข้าแบบไม่เอาหมูนะสั่งเลยฉันก็ฉันก็คิดว่าเธอทําเช่นแบบอากิโชกผัดบอคโคลี่ผัดเห็ดชัฟเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยน่าจะรีบย่างแล้วโอ้ยอร่อย เห็ดจะอร่อยตัวก็ได้เอาเห็ดฟาก็ได้ว่ะเห็ดอะไรเห็ดอะไรเห็ดนี่แล้วเธอทําให้ใครกิน ทำกับข้าวอียังไงอย่างชมมั้ยอร่อยมั้ยแม่บอกว่าฝีมือเดียวกับแม่เลยโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวคุณทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวฝีมือเดียวกับแม่เนี่ยเคยมีคนอื่นชิมหรือยังเออ พี่มื้อเดียวกับแม่มีมีเอา อุ้ยอร่อยมากขอมาขอเติมมาขอเติมอีกอะไรเงี้ยแต่ไม่ให้เค้าตอบดีมากเลยการบ้านมันจนมากหรือเปล่าตายไลน์หรอเซอ่ะไม่ให้กําลังใจไม่ก็อร่อยๆเจ้าเพราะฉะนั้นทางที่ดีแล้วเธอแจกหลาย หันมาดูว่าฟีดแบคเนี่ยเป็นยังไงเออสํารวจกันเลยฝีมือถ้าข้างหน้าให้ดีเนี่ยเอาส่งให้พี่โหนกส่งมาให้อร่อยหรือไม่อร่อยถ้าอร่อยฉันก็อ่าสําหรับประเด็นคืนนี้ อย่างนึงสักเออรักนึงหรอเอออืมจําได้มั้ยความรักครั้งนั้นเฮ้ยทําไมเออนั่นน่ะน่าจะอย่างที่เมื่อกี้เป็นเราอ่ะก็คือเรื่องของที่ใครเลย ก็คือก็มีก็มีเป็นคนที่แบบกับแบบแบบว่าถ้าไปคบใครอืมแต่ท่าน เธอไม่เคยมีใครทําอะไรให้เราเลยไม่เคยไม่เคยอ้าวไม่หรอกก็อาจจะก็เหมือนเหมือนกับเรารักเอ่อรัก ก็โอเคอ่ะถือว่าเราได้มีคนที่เรารักก็ใช่คุณหญิงเข้าใจคําคุณหญิงกิรติ ครั้งหลังพลาดนะครับบางคนยังไม่เคยดูหนังเรื่องนี้ต้องไปหาดูนะยุคใหม่ๆอาจจะยังไม่เคยดูไงหรือหรือได้เห็น เช่นนั้นเราก็แบบมันคือความสุขของเราอันดับ 1 แล้วใช่ยังไงคือรักนะนี่คือรักนะคุณคือความรักก็คือ แต่ลือต้องไปบางทีต้องบอกเขาบ้างนะโอเคนี่ๆใส่สรรพนามลือละเริ่มหลังบ้านเออเออเป็นห่วงนะ จ้าครับขอบคุณครับเมื่อวานเมื่อวานฉีกับฉันคุยกัน อลินปิงเหรอลินปิงลินปิงเดี๋ยวๆเดี๋ยว yup 90 ต้องขอโทษจริงๆนะบางทีลืมตัวพูด 90 นะครับ เอ่อจริงวันนี้ลืมนึกรายการสนิทเลยพอนั่งเล่นเกมอยู่เลยไม่รู้ว่าประเด็นวันนี้ประเด็นอะไรรักๆเลยเพราะๆก็ได้โทรเข้ามาเพราะว่าเชื่อว่า แต่คืนนี้จะคุยเรื่องปัจจุบันมากจะเปลี่ยนหน่อยมั้ยเอาแบบก่อนหน้านี้ก็ได้นะเผื่อเผื่อเผื่อเผื่อเค้าฟังอยู่ไงเค้าจะได้รู้อ๋อความรักเหลนปิ่นก่อนหน้านี้คือมันไม่มีอยากจะมีอีกเรื่องครับโอ้ไหนได้ลองเล่ามาสิอ่าเป็นคือเค้าเป็นผู้ชายแท้ๆ มันอาจเป็นรุ่นน้องของผม 2 ปีอุ้ยไก่ชากินเด็กนะเนี่ยเนี่ยอือๆครับแล้วรู้จักอ่ะคือเรารู้จักตอนเดือนอ่าธันวาคมอ่า อยากมีบ้างอ่ะใช่มั้ยขอสนิทนูไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ใช่ยิ้มนะไม่คือแบบอยากมีมีบ้างนี่หมายถึงอ่ารักเขาตอนนั้นอ้าวแต่แต่เค้าเป็นส่วน เขาบอกเขาบอกหรือเราบอกเขาบอกเขาอ่าใช่แล้วก็อยู่เทิร์นกลับมาร้อยเค้าแต่งงานมีลูก ยิ่งกระเปวุ่นวายกับเค้ามากไปหน่อยคือจะไปวุ่นวายว่าเอ้ยพี่จะจบแล้วอ่ะอยากอยู่ด้วยกันต่ออะไรอย่างเงี้ยเออเค้าวุ่นวายมากเออวุ่นวายแล้ววันนี้วันนั้นคืนมีคืนก็คือวันนั้นคือวันสุดท้ายก่อนที่เค้าจะพูดอะไรกับปิงค์เนี่ยอืมปิงก็นั่งเขียนเฟรนชิพของห้องให้อาจารย์อยู่เอออืมอันนี้ ที่ไปที่ไปมีอนาคตที่ดีเถอะปล่อยเค้าไว้ตรงนี้เออก็คือใจเรายังรักเค้าอยู่อ่ะแล้วอยู่เค้ามาพูดอย่างเงี้ยเออจริงอ่ะแล้วคือท็อค 3 วันอ๋อโอยจนเพื่อนมันแบบมัน โอ้ไอ้สอบไปลากไปสอบอ่ะอ๋อตามตามถึงบ้านเลยเพื่อนลากไปสอบแบบเออจะปิงแบบลุกลุกไปเฝ้าเหมือนกระท้าเลยแบบโซมอ่ะสะเหลเลยเค้าพี่ปิงเราเลิกกันเถอะพี่ปิงเราเลิกกันเถอะมัน เราเลิกกันเถอะเอ๊ะดาวต้องถามตัวเราเราคบกันแล้วหรอใช่มั้ยใช่ถูกมั้ยเราเออเรายังไม่ได้คบอ่ะแปลกดีเนาะอยู่ๆก็มาพูดว่าเราเลิกกันเถอะรู้เค้าอ่าเค้ารู้แล้ว เออแสดงว่าเนี่ยจิตใจเค้าเนี่ยต้องมีคิดใช่อืมเห็นมั้ยอันที่พอแต่คือยังรู้ว่าปิงก็พอปิงอืมคืออ่าจนวันปัจฉิมปิงเตรียมไว้ ครับแล้วก็ปิงไม่กล้าคุยกับเขาเพราะว่าเราตั้งแต่วันนั้นน้าปิงก็ไม่ได้คุยกับเขาเออเออพอได้เจอเอออ่าครับประมาณ แล้วตอนคือ MSN เบอร์โทรศัพท์ 5 Facebook ลบทุกอย่างทุกอย่างบล็อกทุกอย่างไม่ติดต่อกันอีกเลยครับอืมแล้วตอนนี้คุณรู้สึกกันยังไงเค้ายังอยู่ เออคือมันนึกได้ว่าพอเป็นรุ่นน้องใช่มั้ยล่ะไอ้ไอ้ปี 1 เอปีกว่าจะฟื้นก็ก็ถือ เป็น 1 อาทิตย์มั้งเนี่ยเป็นดาลไม่ไม่ได้หมายความว่าเราแข่งกลางแบบมีความรักลึก 1 อาทิตย์เรียบร้อยลั่นล้าได้นะก็ดีไม่กระจับว่าบางไม่เคยเจออะไรที่มันเนี่ยมันก็จะไม่ก็ แต่ก็ดีนะก็ปิดปู่เป็นภูมิตั้งฐานใจด้วยตัวเองใช่กําลังจะพูดว่าประสบการณ์ครั้งนั้นในตอนมัธยมเนี่ย 1, แต<ไ> 1> ปีอืม ก็ขอบคุณมากนะหลินปิงโอเคก็ปี้ชวนเจไปตัดริบบิ้นโอ้โหได้ครับโอเค ต้นต้นครับคุณโตจริงเซกพลางว่าปิ่นเพิ่งคนพบแหละว่าฮะเนี่ยพอดีไป เอ่อเส้นทางของรถประจําทางอ่ะคือรถเมยอ่ะไปเส้นไหนบ้างแล้วหยิบมาดูหยิบอ่ะไปถึงเอ่อ 206 ถึงไม่ถึงไม่ถึง 2 นะพระราม 2 แต่ปิ๊นซ์จะ 40 ไม่ 40 40 ป่ะน่าจะ 40 ไปสายใต้ 40 40 ไปสายใต้เหรอ ตึกนี้มาเนี่ยใช่เวลาคือพี่สายไปเลยเออๆๆให้อ๋อนี่ๆมีอ๋อมันวิ่งสั้นลงหมด อ้าววันนี้เพิ่งเพิ่งเปิดคอมแล้ว Ideo มาดูหน้าพวกพี่ๆนี่แหละเป็น ก็ไม่ได้เจอหน้าพวกพี่นานมากก็คิดถึง Facebook ใครอ่ะอุ้ยก็แฟนนี่ครับอุ้ย ดิโอฟบกาดโกมาอีกเลยเชิญโอ้ยสวยได้ เป็นพอดรายการพวกเราก็ก็สอยกันกินเองรายการเรานี้จะสร้างคู่มากี่คู่สะสมไว้นะจริงครบ 1 ปี ต้องขอมีอะไรบ้างอ่ะมา 5 เดือนเอง 6 เดือนถ่ายรูปอันนั้นไม่ให้ฉันดูต้องขอแบบเป็นอะไรลูกคู่ไงเอาอย่างนี้ดีกว่าที่มันนักๆเนี่ยมาแปะไว้ แต่ถ้าเกิดประเด็นไหนประเด็นเรื่องเรื่องคุยเรื่องอกหรือเป็นใหม่เป็นใหม่ รักที่ผ่านพ้นไปคุณคุณคงไม่แล้วเดี๋ยวค่อยอ่ะอืมมันลางๆเนาะโหเธอลางขนาดนั้นเลยเหรอก็นานนะงานไหนจะคนปัจจุบันแล้วไหนจะโน่นนี่นั่น ไม่เหนื่อยก็รักกันดีอ้าวทําไมทําไมไม่เหนื่อยเลยหรออ๋ออ่ะยังช่วยกันทําใช่ก็ แลมแลมอ๋อตายนี่นี่มีคนก็บอกว่าวันเนี้ยชั้นรันลามากเออเออสารต่อแหล่หลังอ่ะเดี๋ยวๆเออก็น่าจะเป็นสมัย ม. ครับโหอีกละ ม. ต้นอีก 1 ผมเข้ามาที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง 20 คนผู้หญิงประมาณ 10 คนโรงเรียนในกรุงเทพฯป่ะเนี่ยในอืมๆๆอืมก็หัวหน้าห้องคนนี้ก็ แล้วก็ไม่ได้หวังว่าตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่เพิ่งเจอว่าเออตัวนี้น่ารักดีก็ ในหน้าตาด้วยถามว่าครับนิสัยดีมั้ยดีดีมั้ยด่ากันบ้างด่ากันบ้างดีบ้างอ๋อแล้วแต่ช่วงอารมณ์ องค์คณเนชันครับองค์คณเนชันองค์คณเนชันองค์คณเนชันอะไรสับใหม่อีกแล้วได้ขับใครอีกแล้วโดยเฉพาะองค์คณเนชันก็อยู่กันมานานแล้ว ม.1 ม.3 อยู่ห้องเดียวจบมหาวิทยาลัยมา ปี 11 ปี 4 ก็ไม่เคยติดต่อเพราะเค้าไปเรียนอยู่ต่างจังหวัดเรียนอยู่หนองคายอ๋อแยกกันไปไปอยู่ 3 เดือนที่ 3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือน ก็คือเค้าอ่ะจําผมไม่ได้แต่เธอยังบอกอ๋อกําลังกลับบ้านอ๋อเมื่อกี้ใส่เสื้อต่อๆก็ไม่ ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรครับมีอะไรก็ไม่มีอะไรครับก็คืนตามปกติแล้วก็วางไปอ๋อไม่เออมันก็ไม่มีอะไรนะนี้แล้วปิงค์สงสัยตรงนี้ว่ามัน 10 ปี ตั้งแต่ ม.6 2 ปีอ่ะ 6 ปี 7 ปีเออ 6 7 ปี 6 7 ปีใช่ป่ะก็หน้าเหมือนเดิมแต่หน้าเค้า เอ่อกว่าหน้าห้องเนี่ยนานขนาดนั้นแบบ 6 ไม่ 4 5 6 ก็น่า 5 6 ปีเนาะ 6 ปีครับปีเพราะเขาบอก 6 วัน 6 อาทิตย์พออันนี้ 6 ปีแล้วถึงก็ยาว ปกติครับแต่เวลาเข้าแถวมันก็แค่ 2-3 แถวเราก็เห็นเขาทุกวันเออคือแบบอย่างว่าเป็นไม่เคยมีอะไรแบบเนี้ยมันก็ 6 วันมันก็เลยสั้นเกินไปอันนี้เขา ขาดลามาใส่ถ้าจะนับครั้งได้ 10 ครั้งอ๋อไปจะไปดีไปเจอมันทุกวันเออแต่งงานยังมีแฟนยังอะไรอย่างงี้ พอประจบมาเอ้าตายตายอยู่ซอยไม่ได้เป็นนิดจริงๆๆๆ มันนั้นอยู่หลายคนขอพาขอเถอะเร็วๆขอเถอะเร็วๆเอออย่าไม่ ยังไม่มีเลยครับไม่รูปต้นเอ่อรูปคุณก็ส่งที่ M ของพี่เอเลยเอ๊ะเรามีพิกเจอร์เนาะใน M หรือส่งไม่ไม่ส่งนี้หรือเปล่าโปรดก็ได้ครับในในหน้าจออ่ะครับอ่านะ Tcom มากครับ Uh, อ่ะถ้าอืมนะรอ